ในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันต์นี้จะไม่แสดงความเห็นในส่วนเนื้อหาให้เยิ่นเย้อแต่จะนำเอาพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาให้พิจารณาดูเองเข้อก่อพุทธพจน์เกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องอัตตาความยั่งยืนและความขาดศูนซึ่งไม่ถูกต้องจัดเป็นที่สุดสองด้านพุทธพจน์นี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของภาวะตันหา และวิปะวะตัณหาได้อย่างชัดเจนด้วยในทิฏฐิสูตรขุทกนิกายอิติวุตกะมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้าครองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลาย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 เป็นอย่างไรกล่าวคือคนพวกหนึ่งอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยพบนั่นแหละจึงพร่ำชื่นชมวิพบว่านี่แนะท่านเอยนยะว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตนี้ก็จะขาดศูนพินาศหายสิน้นหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกนี่ละคือภาวะสุดประเสริฐนี่ละคือภาวะดีเยี่ยมนี่ละคือภาวะที่เป็นของแท้ พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงเห็นเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบคือเห็นตามสภาวะเป็นจริงครั้นเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพิทาหายติดเพื่อวิราคะหมดใคร่ เพื่อนิโรธแห่งสภาพภพนั้นส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้และมีคาถาสรุปว่าผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพและเห็นภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริงปพราะหมดสิ้นภาวะตัณหาถ้าเขารู้เท่าทันสภาพภพเขาจะเป็นผู้ปราตันหาทั้งในภพและอภพ เพราะความหมดพบแห่งสภาพพบภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่พบอีก